ขอความสุขความเจริญจงมีแล่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากหมหาวิทยาลัยศรีปทุมกำลังนำเสนอสภาสงฆสังวรสูตรในมัชฌิมานิกายอันเป็นพระสูตรที่สองในมัชฌิมานิกายประเด็นที่กล่าวไว้ในวันก่อนสองวันก่อน ก็เป็นเรื่องของโยนิโสมนสิการกับอโยนิโสมนสิการคือใส่ใจกับไม่ใส่ใจโดยมีปัญญาเข้ากำกับจึงทรงใช้คำว่าโยนิโสมนสิการกับอโยนิโสมนสิการหมายความมาต้องหาคาตอบได้ ว่าทำไมจึงใส่ใจและทำไมจึงไม่ใส่ใจก็ใช้ปัญญาเป็นเค ร, รื่องมือพิจารณาเกณฑ์ในการตัดสินที่ทรงแสดงก็คือว่าอะไรก็ตามที่ใส่ใจไปแล้วธรรมะที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วจะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น ก็ให้ใส่ใจในเรื่องเหล่านั้นแต่ถ้าใส่ใจไปแล้วกิเลส ท, ที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นแล้วจะเพิ่มผูดมากจึ่งขึ้นก็ไม่ใส่ใจในเรื่องเหล่านั้นแต่นี้ในการไม่ใส่ใจก็เหมือนกันเราก็ใช้ในทางบวกได้เช่นสมมติว่าคนด่าอย่างเงี้ยก็ใส่ใจไปทำอะไร แต่ใจไว้แล้วก็เกิดโกรธเกิดเกลียดเกิดอาฆาตพยาบาทเกิดต่อสู้วิวาดกันหมายความว่ากิเลสที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเพิ่มพูดมากยิ่งขึ้ น, นเลยไม่ใส่ใจเลยแต่สากการไม่ใส่ใจเนี่ยหมายความว่าเมื่อกิเลสไม่เกิดธรรมะมันก็เกิด อย่างน้อยก็สงบอยู่ที่สงกางในข้อต่อไปก็ส่งอธิบายถึงที่ไปที่มาคือหมายความว่ชาชีวิตประจำวันของคนนี่แหละเป็นเกณฑ์ในการวินิจฉัยวิธีความคิดที่จะเดินข้าวหน้าต่อไปสูลักการการของโยนิโซมารสิกานอย่างตการณ์ในปัจจุบัน ก็คงอีกตลอดไปนั่นแหละมายความมาลการของโยนในสมนติการคือการใช้ปัญญาเพ่งพินิษพิจารณาโดยอุบายวิธีที่แยกคายก็ถึงเหตุผลและปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวเครื่องข้องกับเรื่องอนั้นาสามารถเชื่อมโยงอดีตมาเสริมบทเรียนในปัจจุบันแล้วก็ เพิ่มพูนข้อมูลในปัจจุบันเพื่อเตรียมตัวไ ป, ไปเผชิญปัญหาในอนาคตก็แสดงมาโยในสมัติการก็ต้องใช้ตลอดรับสั่งว่าพิสุจทั้งหลายส่วนอริยะสาวกผู้สดับแล้วผู้เห็นพระริยะทั้งหลาย ตลาดในธรรมของภรรยะได้รับคำแนะนำด้วยดีในธรรมของภรรยะเดี๋ยวพรสงเน้นอีกทีหนึ่งคือว่าภรรยานั้นอาจจะายากหน่อยเพราะท่านเองก็ไม่แสดงตัวเป็นภาวะทางจิตของท่านจริงรับสั่งว่า ผู้เห็นสัตวบุรุษสลาดในธรรมของสัตบุรุษได้รับการแนะนำด้วยดีในธรรมของสัตวบุรุษท่านยอมรู้ทั่วถึงธรรมที่ควรมนานสิการยอมรู้ทั่วถึงธรรมที่ไม่ควรมนานสิกานทีนี้เราก็มองกลับไปที่คำว่าสัตบุรุษสัตวบุรุษกล่าวโดยสรุปก็คือคนที่ดำเนินชีวิต ไปตามหลักของกุมมศลกำหนดสิบประการนั้นคือเกณฑ์นในการตัดสินพื้นฐานเบื้องต้นหมายความว่าต้องประพฤติกายสุจริตวิจีสุจริตและมโนสุจริตแล้วก็แสดงปัญญาที่แหลมคมออกมาก็ถึงเหตุผลของแต่ละเรื่อง มีความชัดเจนในตนเองมีความชัดเจนในความเหมาะความควรแล้วก็มีความชัดเจนในเรื่องการลเทศะมีความชัดเจนในเรื่องกลุ่มคนและบุคคลอันนี้เป็นภาคปฏิบัติแปลว่าว่าทุกครั้งเนี่ยเราก็ต้องมีหลักเ่านี้มันจะแก้ปัญหาตรงหนึ่งแล้วเกิดปัญหาอีกตรงหนึ่ง ทำนองคล้ายๆกับบานคราวเนี่ยทำนองคล้ายๆกับเราลงเรือชีบบรรทุกน้ําหนักไปมากมันจะต้องชัดเจนว่าถ้าเกิดคลื่นกระทบจากข้างนอกี่ทํำยังไงและถ้ากเกิดลมพัดแรงๆจะทํำยังไงแต่ว่าคนเกิดตกใจขึ้นมาแล้วก็เทไปกราบไปกราบหนึ่งเนี่ยจะทํำยังไง เรนสุดเราก็จะวินิจฉัยได้ว่าต้องบรรเทาน้ำหนักลงคือลดน้ำหนักลงเออขึ้นมาก็ป้องกันขึ้นไปได้หรือว่าถ้าคนจะเทไปเนี่ยแต่เทไปไม่แรงเกินไปมันก็ไม่ถึงกับควบวิธีของเราก็คือต้องพูดจากับคนให้เข้าใจ บังควรจะวางตัวยังไงสมมติว่าคลื่นมาลมมาหรือว่ามาทั้งคลื่นทั้งลมนอกจากเราจะต้องแก้ที่เรือแล้วก็ต้องแก้ที่คนให้ได้เพตามปกติแล้วการ ต, รตื่นตระหนกเวลาเผชิญวิกฤตการณ์คนที่ตื่นเนี่ยคือคนเราก็มีปัญหาเรื่องนี้บ่อย เพราะอะไรเพราะเราขาดหลักธรรมของสัตว์รุษไม่ได้มองถึงบริบทคือสภาพแวดล้อมของแต่ละเรื่องเราก็คิดแต่เรื่องเดียวอุบัติเหตุในทางเรือก็ดีทางรถก็ดีหรือทางยานพาหนะด้านอืินก็ดีส่วนใหญ่แล้วก็ขาดหลักอยู่ในส่วนมนุษย์กาศไม่ได้คิดใ้รอบครอบรอบด้าน การความสุขุมรอบครอบมองแต่จะได้ปโลภาตัญหานี่มันเกิดขึ้นแตะทำให้น่ามืดคนจะไม่คำหนึ่งถึงเหตุถึงผลที่เหมาะที่ควรในกรณีนั้นดัง น, นั้นเมื่อมิหลักของโยในสูมานสิการเพราะได้เข้าหาสมาคมกับพระริยะและกษัตริย์บูรุษ สัตบุรุษนั้นก็คือพระริยานั่นแหละแต่ว่ารองลงมาเนี่ยสามัญชนนี่เป็นสัตว์บุรุษได้แม้แต่พระริยาเองก็มาจากสามัญชนเพียงแต่ว่าตราบใดที่เรายังเป็นสามัญชนเราก็เป็นพระริยาไม่ได้แต่ในขณะที่เราเป็นสามัญชนอยู่เนี่ยเราเป็นสัตว์บุรุษได้สัตว์บุรุษจึงมันมีมาตรฐานอีกระดับหนึ่ง มาฐานระดับกุศลกำหนดสิบต่างที่กล่งลนนางใน่นนอาการทั้งหมดของพระรยะก็คืออาการที่สแสดงออกมาทางกุศลกำหนดสิบประกาศเพียงแต่ว่าของท่านสมบูรณ์สัดส่วนนั้นในส่วนมโนโทุจริต น, นี่อาจจะไม่สมบูรณ์หรอกแล้วก็ส่วนไม่ไม่ใช่ส่วนมโนสุจริตนะฮะอาจจะไม่สมบูรณ์หรอก แต่ส่วนกายสุจริตกับวิจีสุจริตเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ถ้า ม, มีแรงกระแทกแรงๆก็วางใจได้ถ้ากระแทกแรงๆมันก็อาจจะสับสนไปบางคนอาจจะหนักแน่นบางคนไอ้ น, นี่เป็นรายละเอียดรับสั่งว่า เมื่อระยะสาวกนั้นรู้ทั่วถึงธรรมที่ควรมานสิการและรู้ทั่วถึงธรรมที่ไม่ควรมานสิกาเขาจะมีละคือจะไม่มนาสิกาไม่ใส่ใจพูดง่ายว่าไม่ใส่ใจแล้วกันไม่ใส่ใจที่เรื่องเรื่องที่ควรไม่ควรใส่ใจแต่จะใส่ใจในเรื่องที่ควรใส่ใจอันนี้อย่าลืมว่ามันแยกแล้วนะเพราะว่ามานะอ อยโยนิโสมนัสิกาในพูดมาแล้วแล้วพูดด้านอยโยนิโสมนัสิการในกรณีที่ไม่ใส่ใจในกุศ ล, ลธรรมรับสั่งว่าพิสุทั้งหลาย ร, รมที่ไม่ควรมนสิการที่พระอริยสาวกไม่มนสิการอยู่เป็นอย่างไรไมีอยู่เป็นอย่างไร เมื่ออารยสาวกนั้นมนสิการทําเราได้อยู่กามสวะภวะสวะวิชาสวะที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญขึ้นอวิชาสวะก็ดีเอาอวิชาสวะภาวะกามสวะภวะสวะอวิชาสวะที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อนเจริญเหตุนี้คือทำที่ไม่ควรมนสิกการอันนี้เป็นการตัดสินที่ผลกระทบต่อเนื่องจากการชา้โยนในโสมนุสิการผลการชา้โยนในโสมนุสิการมันก็ไปดูตัวชีวิดที่ตัวกามาสุปะแต่อย่าลืมมาพูดไงว่าตัวกิเลส ก, กันลยกันเน่เพียงแต่ว่าในกรณีนี้ ทรยกเอาอาสวะมาซึ่งเป็นรากฐานของกิเลสหรือที่ไปที่มาของกิเลสทั้งปวงเพราะว่าอาวิชชาสวะมาอยู่ตรงนี้และรัตสั่งว่าพิสุทั้งหลายทำที่ควรมนานสิการที่อริยสาวกมนานสิการอยู่เป็นอย่างไรคืออริยสาวกนั้นมนานสิการทำเหล่าใดอยู่ อมาส ว, กวากรีภาวส ว, กวากดีวิชาส ว, กวากดีที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมสิ้นไปยยกตัวอย่างยกตัวอย่า ง, ง, งว่าเราสมาทานศินห้าเอาไม่ต้องออกมากหรอกสินห้านี่แหละเราสมาทานแล้วมีการสำรวมระวังรักษา ก่อนจะนอนก็พิจารณาทบทวนว่าตั้งแต่รักษาศีลเป็นต้นมาถึงบัดนี้ศีลเราเป็นยังไงมีขาดมีทะลุมีด่างมีพร้อยอย่างไรบ้างหรือไม่ถ้ามีปัญหาบกพร่องก็พยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นมันก็จะเทียบแล้วคล้ายๆกับว่าการ ง, งานที่เราทำผ่านไปแล้ว แล้วเราก็หันมาตรวจสอบปินิัพ ญ, ญาณหรือดูง่ายๆยิ่งกว่านั้นก็คือเหมือนกับเราปรุงอาหารเราปรุงอาหารแล้วก็มีการตรวจสอบด้วยการชิมตัวไหนบกพร่องส่วนไหนเกินไปก็แก้ไขด้วยกรรมวิธีในเรื่องอาหารนั้นๆเช่ น, นเปรี้ยวมากไปก็ต้องลดด้วยเกลือเค็มมากไปก็ต้องลดด้วยเปรี้ยวเป็นต้น เพื่อจะให้แกงชนิดนั้นมีรสพอดีกลมกรอมตอนการทำงานมันก็มีลักษณะอย่างนั้นจริงๆเป็นเรามีบทเรียนอยู่ทุกวันนะแล้วก็ทุกเรื่องเลยคือถ้าเข้าถ้าเข้าใจคิดถ้าคิดเป็นเราก็มีบทเรียนอยู่ทุกเรื่องเพียงแต่ว่าเราใช้สิ่งเหล่านั้นหรือไม่ ในที่นี้ทรงเน้นไปที่ผลซึ่งเกิดขึ้นความเปลี่ยนแปลงในทางจิตหมายความอะกันนี้ที่กามาสวาะภวะสวะวิชาสวะไม่เกิดขึ้นแล้วไม่เพิ่มพูนขึ้นจิตก็ต้องมีเจตสิกขึ้นปรุงก็คือกุศลเจตสิกก็เกิดขึ้นการจางไปคลายไปมันเทาไปของ กรรมสวะภาวะสวะวิชาสวะหรือกุศลที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นกุศลที่ยังที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเพิ่มผูดมากจิ่งขึ้นเพราะว่ากิเลสกับกุศลธรรมเนี่ยมันอยู่ตรงกันข้ามข่ายหนึ่งเพิ่มข่ายหนึ่งก็ลดข่ายหนึ่งลดข่ายหนึ่งก็เพิ่มในกรณีนี้พูดถึงข่ายกิเลสลดก็หมายความว่าข่ายกุศลก็เพิ่มขึ้น แล้วก็รับสั่งว่าเมื่อพระยสาวบกปฏิบัติอย่างนี้ในถึงจุดหนึ่งอาสวะก็จะบรรเทาไปสิ้นไปเสื่อมไปเพราะไม่มาไม่มนาสิการในธรรมที่ไม่ควรมนาสิการ และเพราะมนัสิการในธรรมที่ควรมนัสิกาพอถึงจุดหนึ่งอริยสาวกนั้นย่อมมนัสิการโดยแยกคายว่านี่คือทุกข์คือสติปัญญามันปรากฏชัดเจนมากขึ้ น, นประการลดไปของกามาสวะภวาสวะวิชาสวะ ถ้าตั้ฟังลองนึกถึงระดับของศีลสมาธิปัญญาเราจะเห็นว่าตรงนี้ทรงตัดไอ้พวกรุงรังทั้งหลายพวกความสงสัยทั้งหลายพวกทิฏฐิทั้งหลา ย, ลายนี่ออกไปเพราะอะไรเพราะว่าใจมันมาเทมาด้านกุศลและธรรมเพิ่มเพิ่ ม, มขึ้นไปเรื่อยๆปัญญาก็เกิดขึ้น มันก็แนวเดียวของการเอาวิชาไม่ใช่ในแนวเดียวของวิปัสสนากรรมฐานคือในอารมณ์ของกรรมฐานเ น, เน้นที่อารมณ์ควรกำหนดรู้กับอารมณ์ที่ควรเจริญให้มากเน้นสองกลุ่มนะเริ่มต้นจากขันห้าเป็นธรรมะที่ควรกาหนดรู้ อยายตนาสิบสองก็ควรกําหนดรู้ท่าสิบแปดก็ควรกําหนดรู้อินทรีย์ยี่สิบสองก็ควรกําหนดรู้และจากนั้นเป็นอะไรเป็นอริยสัจสี่เป็นปฏิจจสมุปบาทอริยสัจสีนั้นมีครบชุดทุกเป็นธรรมที่ควรกําหนดรู้สมุทัยควรละนิโรควรทําให้แจ้งมรรคควรเจริญ ปฏิจาสมมาตรก็เหมือนกันถ้าสายเกิดก็เป็นธรรมที่ควรกาหนดรู้กับธรรมที่ควรละสายดับก็เป็นธรรมที่ควรทำให้แจ้งกับธรรมที่ควรเจริญเพราะงนก็จะยกนามรูปขึ้นมาพิจารณาเห็นสังขารตามความเป็นจริงรู้ว่านี่คือทุก นี่คือเหตุเกิดของทุกข์นี่ความดับทุกข์นี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับทุกข์แต่ว่าตอนพิจารณานั้นตอนที่จะเกิดตรงนี้ก่อนจะเกิดตรงนี้ก็จะมีปัญญาพิจารณ า, าว่านี่คือรูปนี่คือเหตุเกิดแห่งรูปนี่คือความดับแห่งรูปนี่ข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับแห่งรูป การพิจารณาก็พิจารณาตำโพงสร้างอริยสัจนี่คือรูปก็คือทุกขสัจนี่คือ เ, เกิดแห่งรูปก็คือสมุทัยสัจนี่คือความดับแห่งรูปก็คือนิโรธสัจนี่คือข้อปฏิบัติถึงความดับแห่งโรคก็เป็นมรรคสัจแล้วก็รู้ทุกข์ก็แล้วแต่ท่านจะยกข้อไหนขึ้นมาพิจารณา ก็ให้เห็นทุกข์ก็แล้วกันเพราะว่าในการกำหนดรู้ทุกข์นั้นมันตัวที่เราจะมองเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับบารมีดั้งเดิมของเราเรามีพื้นฐานสะสมเรื่องอะไรเอาไว้เสพคุณเรื่องอะไรเอาไว้มากมาก แล้วเราจะชัดเจนในเรื่องดอนนั้นมากอย่างที่เคยเล่าเรื่องพระจุลปันถุกพระจุลปันถุกนั้นท่านเคยเรียกว่าทึบขนาดท่องคาถาสี่บรรทัดสี่เดือนนะฮะไม่จำได้หน้าลืมหลังอยู่ตลอดจนพระมาปันถุกพี่ชายแนะนำให้สึกออกไป ก็พูดไง่ายๆว่าไล่ให้สึกออกไปก็เป็นวิธีกำราบของท่านวิธีกำราบของพระอารหาันตานั่นเองพระพุทธเจ้าก็เข้ามาเสริมให้ความอบอุ่นให้ความเชื่อมัน่นให้ตั้งใจที่จะอยู่ศึกษาพระพฤติปฏิบัติต่ อ, อไปโดยทรงใายหลักเนี่ยทำจิตให้สงบ ก็แบบสมถะพอสิงก็ขท่านไม่มีปัญหานะมันขึ้นสมถะเลยเพื่อจะนำไปสู่การใช้ปัญชายเนี่ ย, ยโยนิโสพนสติกาเนี่ยวิชาปัญญาในการพินิจพิจารณาเราสร้างให้บริกรรมแต่คำบริกรรมเนี่ยมันบ่งชี้ให้เห็นทุกข์สัต์ ก็คือระชวระังระชวระนั ง, นงก็แปลว่าภาเพเื่นทุลีภาพื่นทุลีก็จริงจริงก็ดูที่จิตนะผ้าพื่นทุลีคือผ้าเนี่ยเหมือนกับจิตแล้วก็ทุลีก็คือกิเลสเพราะจิตของเราก็คือผ้าที่เพื่นทุลี จิตไวไม่เสร้มองเองแต่ว่ากิเลสมันทำให้มันเศรมองท่านบริกรรมไปจิตสงบจดจออยู่กับรัชวรนางรัชวรนางรัชวรนั ง, น ง, นงแล้วก็นั่งอยู่กลางแจ้งนะก็ถูกแสงแดดตอนเช้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆืเหงื่อท่านก็ออกเหงื่อก็จากมือก็ออก ซึ่งปฏิกูลจากมือก็ออกมาก็ทำให้ผ้าขาวบริสุทธิ์มันเปื้อนพอท่านใช้ปัญญาพิจารณาก็เห็นเลยเชื่อมโยงจิตนะกับผ้าขาวผ้าขาวมันบริสุทธิ์มาแต่เดิมแต่ว่าใส่ร่างกายซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งธุลีเนีร่างกายเราเราเห็นว่าผสกโปรกลวเถอะ มอแม่ไปหมดเลยต่ก็พิจารณาเทียบเคียงว่าภาคขาวที่บริสุทธิ์อาศัยกายนี้แล้วก็กลับเปดเปื้อนด้วยความไม่บริสุทธิ์แต่ยาเลือมกากกยนี้เป็นที่รวมของขันทั้งห้าจึงหมายถึงจิตด้วยคือวิญญาณ ท่านก็คิดไปได้ตลอดจากนั้นก็จเจริญวิปัสนาบรรลุมรรคผลเป็นพระหันตั้งจากช่วงเช้านะฮะช่วงเชา้ายังไม่ทันเพลิไม่ถึงเพลินแต่ก็บรรลุมรรคผลเป็นพระหันไปแล้ววันนี้เรียกว่าประโยชน์ในสนณติการโดยวิบากแยกขายก็ทําให้เห็นอริยสัจ ตามความเป็นจริงให้เราสังเกตอีกที่หนึ่งว่าอริยสัตว์นั้นถ้าเรามีพื้นฐานดีพอเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่อธิบายตัวอย่างง่ายๆเช่นท่านปัญจวัคคีพระพุทธเจ้าไม่อธิบายมีแต่บอกลักษณะท่านนั้นเอง ชาติความเกิดเป็นทุกข์ชราความแก่เป็นทุกข์มรณะความตายเป็นทุกข์ความโศกเป็นทุกข์ความรำรำไรรำพันเป็นทุกข์ความทุกข์ความเสียใจยความกั๊กแค้นใจสรุปไปเรื่อยๆจนถึงอาการที่จิตยึดมั่นถือมั่นในสังขารทั้งหลายเนี่ยเป็นทุกข์ก็ทรงแสดงเท่านั้น พอถึงสมุทัยก็ส่งแสดงเฉพาะตัณหาสามประการกับลักษณะของตัณหาสามประการคือหนึ่ง โ, โนโปภปิกาเป็นลักษณะนะครับก็ให้เกิดความมีความเป็นที่สืบเพื่องกันไปสองน้นิราคะสากตาจิตจะกำลังเพลิดเพลินอยู่ใน สิ่งที่เกิดตัณหาเหล่านั้นที่จริงไม่ใช่เพลิดเพลินกับตัณหานะ่เพลิดเพลินกับสิ่งที่เรารู้สึกมีตัณหาเกิดขึ้นแล้วก็ในสุดก็จะเพลิดเพลินยิ่งขึง้นอย่างการเพลิดเพลิอนอยู่ในทรัพย์สมบัติต่างๆของคนทั้งหลายเนี่ยวันก่อนฟังข่าว มีนักฟุตบอลทีมอะไรก็ไม่รู้ก็ได้ซื้อตัวไปเป็นไปไปอยู่ที่ดูไบยามีรายได้ปีหนึ่งห้าร้อยล้าน5้ารยล้านดอลลาร์นะฮะไม่ใช so ่ห้ารอยล้านบาทก็สองปีก็แสดงว่าเขาคงจะได้พันล้านบาท ลบบันไรม่ใช่พันล้านดอลลาร่วยมหาศาลน่ะนะะแต่ก็นึกไม่ออกว่าเขาจะมีเงินมากมายขนาดนั้นไปทำอะไรก็อยู่ที่จิตใจของเขานะฮะหมายความว่าถ้าจิตใจของเขาเป็นคนเข้าใจเรื่องบาป บ, บุญคุณโทษ มันต้องใช้เงินนี้กระจายให้สู่ประชาชนหรือสู่สาธารณกุศลต่างๆเอ า, าเงินเลยเพราะเงินเร า, เาไปไม่ได้เอาแต่บุญเอาแต่ความดีเอาแต่เกียรติคุณไว้เถอะเรจะทำอะไรได้เยอะแต่เราก็ไม่เคยเจอนักฟุตบอล น, นักอะไรอะ่ะก็เรียกอะไรอะ่ะรักบี้รักบี้ไม่ใช่อะไรที่ก็เล่นโยนโยนโยนห่วง นั้นก็เหมือนกันค่ะว่าห้าร้อยล้านตอนล่างกันดเล่นกันแดงๆแต่เราดูแล้วว่าถ้าใช้ประโยชน์เพื่อสาธารณกุศลเนี่ยมันน้อยไปแต่ถ้าส่วนปจเจจกชนแล้วมันมากไปมากเกินไปด้วยนะมาย่างนึก่าเงินเนี่ยถ้าพูดถึงเราจะอยู่ให้สบายสมมติว่า ตอนนั้นอายุของเราสัก5้าสิบเนี่ยห้าสิบเราจะอยู่สักกี่ปีเอาอตีสักก้า9สิบปีก็นอะกันก้าสิบปีก็สามสิบปีสามสิบปีเราคิดว่าปีละล้านแะลร ก, กันอยู่ยังหรูหราฟุ่มเฟือยเลยก็สบายแล้วก็ไม่ต้องมากอะไรขนาดนั้น แต่เราจะเห็นว่ามันเป็นการเลื่อนไหลไปตามกระแสตัญหาคือมันเพลิดเพลินกับการได้เพลิดเพลินกับการมีแล้วก็เพลิดเพลินกับการเป็นคนรวยการเป็นเศรษฐีซึ่งไม่ใช่สาระแกนสารที่แท้จริงของชีวิตแต่ว่าคนส่วนไหนก็จะไปอย่างนี้แต่พอโยนในสมบัตการเกิดขึ้นก็จะเห็น จะเห็นว่าพอมาถึงตรงนี้ปั๊บเนี่ยหมายความว่าเห็นอนิยสัตซีเนี่ยจากนั้นปัญหาที่ส่งแสดงคือมันเป็นสาเหตุหมายความความสงสัยต่างๆในอดีตอนาคตปัจจุบันก็ดีแล้วก็อาการไปยึดติดในสังขารทั้งหลายก็ดีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของมิจฉาทิฐิ เพราะฉันพอรู้อริยสัจเนี่ยมันจะไปทำลายผูสักยัติจิชวิจิกิิชาแล้วก็ศีลรัตนรามากก็จะเสื่อมสิ้นไปก็หมายความว่าจากนั้นต่อไปท่านก็ก้าวไปสู่การ ทำลายของอาสวะทั้งหลายคำสั่งว่าพิสษจ์ทั้งหลายอาสวะเหล่านี้เรากล่าวว่าจะพึงละได้เพราะการเห็นเห็นอะไรล่ะเห็นอริยสัจแต่ว่ากรรมวิธีในการก้าวไปสู่การเห็นอริยสัจพอจบพอจบเรื่องเนี่ยเราจะเห็นทันทีเลยว่ามันก็คือหลักของไสยศิกขานั่นแหละเป็น โบหารในการสอนธรรมะของพระพุทธเจ้าหลากหลายด้วยภาษาหลากหลายหรือโบหารให้สอดรับกับพื้นฐานของผู้ฟังในกรณีนั้นๆทีนี้ประการต่อไปรับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายอาศวะติบึงละได้เพราะการสังโบนรับสั่งว่า ภิกษุตั้งหลายก้อนสว่าเหล่าไหนที่พึงละได้เพราะการสังวรภิกษุตั้งหลายภิกษุในธรรมอินไห น, นี้พิจารณาโดยแย บ, บข่ายแล้วเป็นผู้สำรวมแล้วเป็นผู้สำรวมในอินซีจากขุนซีคือคืออินซีในทีน่นี้อินซีเนี่ยมันมันมีเยอะมันมีเยอะ ขันห้าอายตนะสิบสองธาตุสิบแปดอินทรีย์ี่สิบสองอริยสัจสี่เพออินทรีย์ในที่นี้ส่งเน้นที่จักขุโสตคานาจิวหกายมโนจักขุนสี่โสตินสี่คานินสี่ชิวินสีกายินสีมนินสีแต่ว่าไปเน้นที่ประสาทสัมผัส ในที่อื่นเราจะเจอสติสังวรหรือว่าเจออินทรีย์สังวรเลยแต่เพราะทรงจำแนกแสดงไว้ตั้งตั้งเจข้อนะฮะตั้งเจข้อก็แสดงว่าสํารวมอะไรก็ตามถ้าสํารวมถึงจิตแล้วเนี่ยก็สุดสแล้ว พิสูจน์ในธรรมใ น, นนี้พิจนารณาโดยอุบายวิเทียนแยกขายแล้วเป็นผู้สํารวมแล้วด้วยความสํารวมในจักขุนซีอยู่อาสวะและความเล่าร้อนอันกระทําความครับแค้นเหล่าใดที่เพิ่งเกิดขึ้นแก่ภิสูจนเหล่านั้นผู้สํารวมจักขุนซีอยู่าสวะและของเล่าร้อน กับแค้ น, นการทำความขับแค้นเหล่านั้นย่อมไม่มีแก่พิสูุน์นั้นผู้สํารวมจะจะขุนซีอยู่อย่างนี้แล้วก็ไปโน้นอะไปครบทั้งชุดอะทั้งหกหมายความง่ายๆว่าวสํารวมในอินซีหกสำรวมอะไรก็ไปกํากับหลักอยู่ในศูนยบริการกับอายุในศูนยบริการดังกล่าว เวลาเราสัมผัสข้างนอกอายตนะภายนอกคือรู้เสียงดินรถผลิภัณธรรมรสเรื่องอะไรที่เราใส่ใจเกิดใส่ใจเพราะความใส่ใจแล้วถ้าสนใจโดยบายวิธีที่ไม่แยกข่าย อยากกตัวอย่างว่าถ้ามาในชอบฟังรายการที่เขาสนทนากันตามโทรทัศน์คือได้เห็นหน้าคนพูดด้วยคือบางทีเราเราดูคนแล้วเราเราเห็นว่าไม่คุ้มอะเราก็ไม่ฟังหรือบางทีฟังเรื่องแล้วเราก็ไม่สนใจเราก็ไม่ฟังก็เปลี่ยนไปดูมีเรื่องอะไรน่าสนใจบ้างไหม ถ้าไม่น่าสนใจแล้วก็ไม่ฝันเพราะว่าเราจะดูคนก็ดูเนื้อเรื่องถ้าทั้งนื้เรื่องทั้งคนคน้าขันแต่อย่าลืมว่าเราต้องคิดอยู่เสมอว่าที่จริงมันความเห็นของปฏิบัชนถามความจริงหรือเปล่ามันก็จริงอยู่บางส่วนแต่ถามว่าข้อมูลสมบูรณ์ไหมมันก็ส่วนใหญ่ก็ไม่สมบูรณ์ เพราะเป็นการพูดถึงสิ่งที่ไกลจากตัวเองเราจะมีประสบการณ์อยู่บ้างแต่ว่าไม่ใช่ประสบการณ์ที่สมบูรณ์อะไรถ้าเราจะเอาหนังสือธรรมะมาอ่านหรือเทพมาฟัง่อพูดถึงเทพไปนะ คือโยมทำเทปมาเยอะมากมากรวบรวมเรื่องต่างๆที่เทปคัดเสร็จไว้มาจัดก็เป็นแผ่นดีวีดีก็ไม่เคยฟังหรอกเพราะว่ามันเยอะแลยเก็ดมันก่อนลองทดสอบฟังก็ไม่ได้ฟังตลอดอ่ะนะฟังหลับๆตื่นๆหลับไปบ้างตื่นไปบ้างเพราะมันเปิดทั้งรุ่งทั้งกลางคืนกลางวัน ยังไม่หมดเลยก็มหาศาลจริงเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเทพธรรมะที่พอจะควรแก่การฟังก็อีกแหละธรรมะเทพธรรมะก็เลือกระวังคนเราไม่รู้ประวัติความเป็นมาฟังไปดูสักหน่อยเห็นว่า ถ้า ม, มีความจะเป็นจะต้องฟังเพราะเรามีประเตรบิโดกอ่านเราก็มีเทปคัดเศษที่ดีๆนี่ฟังอย่างรายการโทรทัศน์ที่คนคุยไม่น่าสนใจเรื่องที่คุยไม่น่าสนใจเราไม่ฟังเห็นเขามีข่าวเรื่องกีฬาอะไรแต่ใเราไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่สนใจ ก็หมายความว่าไม่สนใจในเรื่องที่สนใจไปแล้วเนี่ย่ยางเรื่องที่เราไม่รู้เนี่ยแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้ใกล้ชิดชีวิตอะไรเราข่าวพ า, วาวทั้งหลายมันก็ส่วนมากมันก็เป็นเราใส่ใจไปแล้วปรากฏว่าเรื่องมันไม่ชัดเราไม่มีพื้นฐานความรู้เราก็สงสัยเห็นไหมจะเข้าสู่กระแสเดิม ก็แสว่าเมื่อใส่ใจไปแล้วกิเลส ท, ที่ยังไม่เกิดมันเกิดขึ้นคือเกิดวิจิกิจสาขึ้นทีนี้ไอ้กิเลส ท, ที่เกิดขึ้นแล้วมันก็จะเพิ่มพูนมากขึ้ น, นตรงนี้ถ้าเรามาเทียบเคียงกับการใช้ชีวิตของเราจะประหยัดเวลาไปวได้อีกเยอะ thôi. แต่ในที่นี้ทรงเน้นไปที่การสำรวมระวังเพื่อป้องกันไม่ให้กิเลส ท, ที่ยังไม่เกิดเนี่ยเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเพิ่มผูดมากยิ่งขึ้นเพื่อจะให้กิเลส ท, ที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่จเจริญเพิ่มผูนขึ้น แต่ในขณะเดียวกันธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเกิดขึ้นธรรมะที่ยังไม่เกิดก็จะเพิ่มพูดมากยิขึ้นเพราะแนวอินทรีย์ซงบรจึงไปปิดกั้นชี้ตัวยินดีกับยิน้ายหมายความถ้ายินดีขึ้นอยู่คือสิ่งเหลนั้นคืออะไรเช่นว่าสับบรติงธรรมรติชินาติ การยินดีในธรรมเนี่ยชนะการยินดีทั้งปวงเพราะประเด็นตรงนี้จึงจึงไม่พูดในทางนี้แต่พูดในประเด็นที่ว่าถ้ายินดีแล้วในกิเลสประเภทราคะกับประเภทโลภมันเพิ่มขึ้นเราก็สำรวมคือ ไม่ดูจะได้เป็นดีไม่ฟังจะได้เป็นดีเป็นต้นคือสรุปว่าทั้งหมดอะทั้งกระบวนการทั้งตาหูจมูกลิ้นกาจทั้งที่ตามตั้งแต่ก็จะผ่านมาทางไหนก็สำรวมระวังใจไม่ให้เกิดจริงดีวันก็เข้ารบเข้าพงไปวันก่อนลุกสิ์เขากลับมาจากสหรัฐอเมริกาก็ ก็ไปประชุมคณะสงฆ์ไปช่วยเหลือบริการคณะสงฆ์ที่ไปประชุมกันทั้งคำยุทธมณิกายและประชุมงคนละแห่งตั้งยุทธประชุมที่ฟลอริดามณิกายประชุมที่นิยอกเลยก็ตั้งข้อสังเกตให้บอกว่าในฐานะที่เคยไปเห็นอเมริกามาคราวเดียวนะฮะ บอกว่าเป็นห่วงพระเพราะว่าพระธรรมทูตไป น, นี้อเมริกาชักสงสัยละ ว, ว่าทำไมขอเข้ามาเยอะเหลือเกินขอโควตาเข้าเยอะเหลือเกินเข้ามาแล้วหายไปไหนปรากฏว่าศึกไปเยอะทมาก็เลยบอกเขาบอกว่าตั้งแต่ผมไปเห็นแล้วผมก็เตือนแล้วเพราะว่าสภาพของบุคคลทั้งพระและควาสเนี่ย เป็นพวกไรบ้านพวกไรบ้านเนี่ยมันเหงาเศร้าแล้วในที่สุดเนี่ยฝ่ายหนึ่งจะไปทำงานฝ่ายผู้ชายเนี่ยจะไปทำงานฝ่ายผู้หญิงก็เข้าบ้านพอเข้าบ้านมันก็เวลานานมันก็เหงากคุ้นกัวัดมันก็ไปเยี่ยมพระพราเองก็เหงานะลึกๆก็เหงาก็คุยกันไปกราชิด ก, กันไปดูกันไปดูกันมา แล้วก็บริเวณที่มันก็ไม่กว้างก็เกิดอาการใก้ชิดขึ้นําไม้พวกนี้ใจแตกเพราะอะไรเพราะว่าพื้นฐานเดียวกันคือเหงาเศร้าต้องการความอบอุ่นตสุก็ต้องการความอบอุ่นก็กบ ก, กันอะไรกันเลยก็นำไปสู่ปัญหาเหล่านี้ นี่เพราะอะไรอะ่ะเพราะไม่ได้สำรวมระหว่างอินทรีย์ทาก็ได้เห็นโูก็ได้ยินนะเขาก็นาอาหารไปถวายลินก็ได้ลิ้มรสนะทีนี้การนั่งกันเดินกันไปอะไมันใกล้ชิดกันมันก็ได้กลิ่นได้แต่โอก็ยุ่มไปหมดมาไดเห็นนี่ก็ตกใจ ตรงจแต่เวลานี้เขาก็เริ่มวัดเนี่ยมันขยายก็ทำให้โอกาสที่จะใกล้ชิดในส่วนตัวมันก็ตกตัดออกไปห่างออกไปแต่อย่าลืมว่าวัฒนธรรมของเขาเนี่ยเขาก็ติดวัฒนธรรมขรัคก็ไม่ไม่ค่อยก็จะมีวัฒนธรรมไทยเท่าไหร่เกิดในที่สุดมันก็ ยังอาศัยการไก่ชิดเหมือนเดิมใก่ชิดด้วยการดูการฟังการรมการลิ้มการทีมการจับต้องอยู่ไปบอ่อยนั่นก็คือปัญหาที่เราเห็นได้ชัดเลยนะลูกศิษย์ท่องมาก็ยังสึกเวลาให้องค์วันก็บอพูดแล้วรู้สึกก็ก็เล่า ว, ว่าเจ้าอาวาสในวัดหนึ่งเนี่เป็นเจ้าขุนก็มาสารภาพว่ารู้สึกเสียดายที่สึกออกไป ถามว่าเป็นไงเพราะกลายชิดกับผู้หญิงใช่ไหมแกบอกว่าใช่นี่ก็คือคือตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดมากเลยตัวโลกของกามาไอ้กาลมหาวจรนะ่ะโลกของกาลมหวัวจรมันเป็นข้ามันอย่างนี้การสํารวจระวังจึงเป็นการปิดปิดกั้นที่ถ้าปิดกั้นที่ประสาทสัมผัสเองปิดกั้นเลยก็ดีไป อ, อย่างสมเด็จพระพุทธเจาในท่านสมเด็จพุทธยาโตนี่ยท่านฉันอาหารอะไรก็าตามที่มันเกิดรสเป็นที่พอใจเนี่ยท่านจะขายทิ้งท่านจะไม่เกลือ่ะต้องมันมีย่าอะไรผักอะไรไม่รู้ทำมาขยำทำให้อาหารนั้นไม่มีรสแล้วก็ฉันแต่สัก์แต่ว่ายังอัตภาพไปเป็นไป ในสูตรอขหารที่มันมีรสอร่อยเนี่ยอาหารที่มีรสอร่อยในยที่ท่านขายไว้เนี่ยก็ตากแดดแล้วมาตาำทำเป็นผงพระสมเด็จอย่างที่คนนิยมกันอยู่ในปัจจุบัน ต, ตอนนี้ร้วนแล้วแต่เป็นครูที่ดีในการนําเราไปสู่หลักการในการปฏิบัติในที่นี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ทรงเน้นไปที่อาสวะทั้งสี่นั่นแหละ คือหมายความถ้าสัมรวมได้อย่างนั้นอาสวะที่ยังไม่เกิดมันจะไม่เกิดที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเสื่อมไปก็ทำตัวเองให้ใกล้อย่างน้อยก็สมถะนะอย่างน้อยก็ศีลสังวรจิตสังวรแล้วก็จนถึงปัญญาสามกำลังความสามารถ ท่านฟังทงั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้พิสุท์นี้ขอความเจริญงอกงามไพบูรในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่ว ก, กันสวัสดี